มันซ่อมเจ้าของอยืดเลยนมันซ่อมเจ้าของแล้วก็ตักเกือนสังสอนตัวเจ้าของเองนี่แหละสําคัญเราบ่ค่อยจักเกือนบ่คอยสังสอนตัวเราเองไปที่ไหนที่ไหนเดี๋ที่ไปสอนคนอื่นไปสังเกตุ อ, อื่นสังสอนผูอื่นเอาเป็นธุระใหญ่ ในการทั้งสอนผู้นั่นเฮ็ด น, นั่นก็บริบดีผู้นี้เฮ็ดผู้ น, นี้บรดีผู้นั่นเป็นแต่สร้างเป็นต่ฮักเป็นแต่สร้างเป็นจะใจห้จเสีนั่นแหละเขามีแต่จิไปเอาก้าผู้อืน่นมันไปจับิษจะจับพิดผู้อื่นมันทั้งสอนจะทั้งสอนผู้อืน่อนมันให้เฮ็ ด, ดีก่ผู้อื่นเฮ็ดแก่ส ใ, ให้เขาเลิ ก, จ, กจะพ่นซวยให้เขาคนละเลิก แต่ตัวเขาเองเขาบระจังสอนจเอ้เขื่อบ่เคยกลับมาซ่อมเจ้าของจาอ้าเขื่อกันธนาบตตัวน่นแหละตสวเมาคีให้แท้ห็ย่างหาเรื่องหาควมมาอ่างหาคน ม, มาต่อต่างโดยเดิคผู้ว่าจ่าตัดเตือนนงเือก็ตั้งผู้วาจาัดตั้งาเป็นสอนบอดีหาเรงเขือเปนเทศมันมาสู้นเอาเจ้าของ ติตั้งเพลินเลยสันเดยอันนั้นมันเข้าเข้าหรอมีนิสัยยังสัน่นมีความเป็นอยู่มีความประพฤติความคิดความบานเหงือนกันต้องสอนมัน่นใจเข้าให้คิดว่าแต่มันตั้งใจเกิดมามันยังเป็นเด็กหน่อยเป็นเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่มันบทเรียนใหญ่บทเรียนหนูจะข้อมสอนพูดพิจิตรสอนใจเข้าใดมีบ่มี่ผู้ดใดดอกนีสัยเข้านั่นแหละสอน เา้างเอามาสอนเองถึงแม่ว่าเพื่อนพิเวาเพื่อนพูดเพื่อนเบาธรรมะแม่ยังมากกระทบกระเทือนยังก็ตามแต่แข็งเท่าบอน้อมใจลุงมากเพื่อเอามาสอนตัวของตัวเองเลยมันบ่เปลี่ยนดอกบอ่ดีขืนจักเถื่อคื อ, อยังเพื่นเบาว่าสมาธินี่แล้วยั ง, งถึงลมเพื่อนกว่านางใส่ง า, งาังมากยังใส่ยังมากกำหนดพุทโธอย่างเงี้นะ คนก็ได้ไกันเขาบอเอามาเฮ็ดเขาบอเอามาสอนเดือกองเลยโอ้หที่ลอยตีมันก็บอกได้ถ้าได้มันก็บอได้หละมันบอกเป็นดอกจ่างมันก็บอกเปลี่นแข b s สอนเดือของเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพึงยว่าอัตตนาจือพยาตานั่งให้มันเปลี่นตนทุกตนเองให้เปลอ่อนตนทุกตนเองทานคนที่เปลี่นตนทุกตนเองต่งซ้อมทถ้าัน ด้วยตาเขานี่เลี้ยวไปเจอข้างนอกเลี้ยวไปเบิ้องสุดล่ะมันว่าให้วกกลับขึ้นมาวกกลับขึ้นมามาเบื้งเจ้าฟองเบื้งแน่เบื้งเจ้าฟองแน่อันเบื้งเจ้าฟองแล้วมันขีเห็นเจ้าฟองมันขีเห็นว่าอันได้บอดีอันเพื่นว่าให้เสือนหนึ่งมันเสมียนมาเขามันนี่แนวบอดีล่ะเข้าอ่นบอเห็นเพราะเพราะบอดซ่อมอันไส่ว่าจ่าได้แต่ยังบอแมนอีู่ยังเครียดให้เขาอยู่นี่ เขาวาบอดีอดีเทาก็บับขึ้นมาซ่อมมือในโอ้กูนี่มันอดีอีรีบอ่ซ่อมมือกัของตัวซ่อมแนีมื่จกเห็นนี่โอ้มันแมนคว่ำเพลินเลยแี่เพิ่นวายเฉไหเพิ่นบอเฉยไดนแบบนี้แค่เพิ่นน่ะละอดี body. จนรัาไปเจยบไปสร้งเพิ่นบานนี่ขันเทาอยู่มิดๆนะเอาซ่อมมือในซ่อมมือกับของเลยนะี่ยซ่อมโอประพฤดทั้งกายดีลวบอว่าจาดีลวบอ ใจใ้าคือดีลวบโดยเฉพาะใจใ น, ะนั่นและคืดอยู่น่ะบมีไผเห็นน้าบุมมีไผ่ดิ้นน้ำทำเน้นห้าบออยากายเองเน่ยคืดทัวเน่ยโดยอยากไอเองแตบมีไผเนีบมีไผ่ทมาจกมาเตือนมันห้นบบ า, นาไปเห็นอยียงต่างๆขั้งนอกให้น้อมครับขึ้นม่น้อมเขาขึ้นมาเปียกเปียกตัวของเบิงจอของหมดูอันนว้ตัวๆยางสันน่นเหมือนหบอ ขันมีก็เป้ายุบเ ป, ป่าถำเป้าเลิกเป้าถำละออกอนนโอโอมันเห็นบ่โอ้แนวดีๆเช่นขนมีบ่น้อเขาไปเห็นแนวอะไรมันดีนนนยังภาวนาเงี้ยสิละแนวดี ค, ค, คนเสเทิดขึ้นเฮ้ฮามีบ่น้อเขาเป็นเดินจงกมไลยๆๆเ่่วมภาเคเพียนพวเนี่เฮ้ามีบอกค่วมภาเคเทียนนี่ยบอมีกับมืดมือไปคือเพลนแต่ว่าเขาบาาากก่ได้งจงกรมเชือ เม่ใแล้วมนันก็มึนี่ยพราะคุณเจ้าได้บอกไว้ว่าอัตนาโจรยยัตานังจงเตือนตอนด้วยตนเองเป็นแต่เพราะว่ากันผู้อื่นเตือนแล้วมันบ่ได้มันบ่ได้ผลเตือนแล้วมันสร้างเขามาเสือกเสียงสวัเพราะฉะนั้นเท่าต้องัซั่มจะของเตือนจะของแยกไปเบื้องผู้อื่นแยกไปคุดเห็นผู้อื่นเนี่ยว่าจะไปเห็นยังแต่ฟร้างยังว่าแต่น้อมเขาไม่จะคลองเนี่ย ยังเสีได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์คือหอบพีเฮ็นังคือนังผูกเนี่ยนะผู้รนะบบไฟระบบไปผู้อื่นเขาตั้งใจฟังเนี่ยตั้งใจฟั้งหรือตั้งใจเฮ็ดตั้งใจถ้ำหเขาได้เฮีดนังคือก็เก่งอบได้ที่หนึ่งที่สองเขาห้อยตังอันเดียวกั น, ก น, ก เ, เ, กนเนี่ยสอบคนตกคือเถื่อจิตเจรณาเน้่ในโลกนี้มีแนวแนวดีก็มีแนวดีก็มีแ น, มแนวดีเอามาเป็นแนวดอนเขาได้อนเฮ็ดน้า แนวบดีก็คืนแนวสอนใดดอกสอนวิทยาเฮตเนอร์วิจิ่รวิจิตรการสอนเกี่ยวของบุมมีทิตมีไพ่กันไหยผู้อื่นเมื่อสอนมันอยากให้มันใจห้มันเกลียดมันตั้างเขาสำคัญล่ะการสอนเกี่ยวบของนะมันจะงบมีิตมีไพ่แล้วมันก็จีได้ประโยชน์มันเกิดเครื่วบดีขึ้นมากเมื่อสอนเกี่ยวกบของมอนแนวอื่นนะต่างต่เอายาคาวารีว่าเอาเดียว ประกาศกั็นมืออืน่นมืออืน่นบ้านเขากระับดินดินทบาทไม่วัดแล้วมือนี่ไปฆราะวะสายหน้ายู่กระจัดรถไว่รถตู้สามขั้นให้ไฟอุบาพิกาวัดขั้นหนึ่งให้เขาเจอเระสงสองขั้นครับรถสองแถวขั้นหนึ่งกันหาเทพบานไปน้่มรถกระจออกประมาณจากักรเอกกรเก่าโมง กัทน้อยวิเชนั้นดิดถ้ำเรืองอยู่เรื่องกินเรืองกินข่าวกินหยางแห้มันแล้วแล้วแต่ไม่แล้วมีอยู่หาวัดมาหนึ่วัดกานสว่างวัดภาาาูแผงวัดตาคาน้อยทุกาอาจารย์อินอาจารย์อินถวายแล้วงปวัตป้าคู้ก่อนอาจารย์อาจารย์สัลี่หัวงตาบันเพิ่มอาจารย์คําสดแล้วก็วัดผู้นหน้าลาว กัตอาโสมคูณนาราอวภายในจานบุญมีแต่เสมอทำงา น, นเนี่ยกลับมา